เหมือนกับที่พระองค์ทรงเปรียบเทียบเหมือนการทวนกระแสจริงๆนะ้าลอยถาดก็ถาดทวนกรนะแสท่านใจก็ว่าถาดถาดทองคำด้วยนะถาดทองคาในที่นี้ก็คือทางดำเนินที่ดีเนะี่ยและวินัยที่พระองค์ทรงตัดไปดีแล้วนั้นเสมือนเป็นถาดทองคำนะแต่ว่าผู้ที่ มองไม่เห็นคุณค่าที่แท้จริงก็ <c oughs> ไปไม่ไหวทวนไปไม่ไหวก็เดี๋ยวไหลไปตามกระแสกระแสของตัณหาทันทีนี้ว่ามันเป็นสิ่งที่ยากนการที่จะดำรงดรงอยู่ในพรหมจรรย์เนี่ยหรือในการปฏิบัตินี่มันเป็นเรื่องยากความยินดีในกามาคุณเป็นเป็นของที่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยไหลไปได้ง่าย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 ยังเบียดเบียนสังคมให้เดือดร้อนใช้อีกด้วยเรื่องนี้พระศาสดาสแสดงเมื่อประทับอยู่ที่พระเชตวันทรงปรารภธิดาของอนาถบินิกะเศรษฐีชื่อจุะสุพธามีเรื่องย่อ ด, ดังนี้นางจุลสุพธาเป็นทิดาของอนาถบินิกะเศรษฐีเมืองสาวัตถีวันหนึ่งอุคคเศฐีแห่งอุคนคร สหายของอนาถบินิกะมากรุ่งสาวถีมาเพื่อเยี่ยมเยียนอนาถบินิกะมอบหมายหน้าที่ต้อนรับให้จุระสุภัธาตลอดเวลาที่อุคคะเศรษฐีพักอยู่ที่เรือนรับรองของอนาถบินิกะนั้นจุระสุภัธาได้ต้อนรับบริการอย่างดีประกอบกับนางมีอาจารสมบัติน่ารักอุคคะเศษฐีพอใจมาก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 เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามทรงปรารบพระเถระผู้มีปกติอยู่คนเดียววงเล็บเอกาวิหารีมีเรื่องย่อดังนี้พระรูปนี้เป็นผู้ปรากฏในบริษัทสี 4, ว่านั่งผู้เดียวนอนผู้เดียวเดินยืนผู้เดียวภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระศาสด า, สดาพระธถาคตเจ้าทรงประธานสาธุการ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 ได้เรียนกรรมฐานจากอุปชา้าอาจารย์แล้วนกรรมฐานก็มีส่วนสําคัญถ้าลืมกรรมฐานเน่จิตใจก็ขาดที่พึ่งเราอารมณ์โลกก็มาแทนนแต่ถ้ามีกรรมฐานกรรมฐานก็จะป้องกันอาสะวะทั้งหลายได้ท่านจึงให้อยู่กับกรรมฐานในทุกริยาบทยืนเดินนั่งนอนนถ้าผู้ที่อยู่ในกรรมฐานในทุกริยาบท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 ก็ย่อมอุ่นใจสบายใจยยยแต่จึงควรมีกรรมฐานสำหรับผู้ปฏิบัตินในวรรคที่21ชื่อปกินกะกะวรข้วนันน า, นารวม9้าวเรื่องก็จบมีวรรคหนึ่งนะ